สิ่งที่เราต้องทําคือหนึ่งแก้ไขซะก่อนตั้งเป้าหมายให้ใ ห, ใหม่เป้าหมายของเราคือเรียนให้รู้ความจริงเมื่อเรียนให้รู้ความจริงตั้งเป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปดูของจริงดูของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือสิ่งที่ทุกๆคนเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือปรมาตร์สัจจะพวกนั้นก็คือสิ่งที่เป็นกิเลส ต, ต่างๆสิ่งที่เป็น ความสุขความทุกข์เฉยๆที่เรียกว่าเวทนาดูเวทนาก็ได้นะดูกิเลสก็ได้หรือดูดสูส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะเห็นกันแล้วก็ดูกันง่ายๆนะคือดูสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ดีๆยังไม่ค่อยมีเรามีความฟุ้งซ่านยังไม่มีความสงบมันยังไม่มีความตั้งมัน่นยังไม่มีจิตที่ภาคที่ดูจิตเนี่ยนะที่เป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานที่พระเจ้าบอกเนะี่ยท่านเริ่มต้นเลย จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะราคะดับไปก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะโทสะดับไปก็รู้จิตมีโมหะคือหลงไปจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะโมหะดับไปก็รู้จิตมีความฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้สี่คู่แรกเนี่ยของไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่คนดูสี่คู่นี้ํำนานแล้วเนี่ยนะ มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านรู้ทันมันฟุ้งซ่านไปพอรู้ทันก็หยุดความฟุ้งซ่านมันหดหูไปรู้ทันก็เกิดจิตที่ตื่นสว่างสวายกลายเป็นกุศลขึ้นมามีราคะแทนที่จะคิดอะไรนานๆก็รู้ทันซะราคะก็ดับไปรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ น, นะเวลาเราทำสมถะก็จะทําได้ง่ายขึ้น คราวนี้เราจะมีเรื่องใหม่ให้รู้จิตมีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิจิตออกจากสมาธิก็รู้ออกจากสมาธิแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ต้องดูเพราะไม่มีไม่ต้องไปขนขวายเรามีสิ่งที่จะให้ดูคือราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูก็ดสูสิ่งเหล่านี้แหละดูเหล่านี้ตอนรู้ก็มีสติอยากจะดู จิตที่เป็นสมาธิมันไม่มีไม่มีสติเพราะมันยังไม่เกิดสติจะเกิดเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วและตามรู้มันไม่ต้องไปคอยดักรู้ด้วยถ้าดักดูก็เป็นตัวปลอมเพราะกิเลสยังไม่เกิดไปคอยดูไม่มีให้ดูแลก็หลอกตัวเองว่าฉันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเลยไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเลยก็แสดงว่าไม่มีสติเลย ให้มันมีกิเลสขึ้นมาแล้วรู้ตามรู้ตามกิเลสที่เกิดขึ้นยิ่งกิเลสเกิดขึ้นบ่อยแสดงว่าเรามีสติบ่อยเราจะรู้สึกในแง่หนึ่งว่าชั้นนี่ร้ายเหลือเกินใจชั้นนี่ร้าย เ, เหลือเกินกิเลสเยอะมากเลยเห็นอย่างงี้นะเหมือนกับว่าอะไรวะก่อนภาวนาเนี่ยฉันเป็นคนดีนะทําไมทภาวนาแล้วชั้นเลวจังเยร้ายจังจริงๆแล้ว มันเผยให้เห็นมันเผยให้เห็นความร้ายกาจของจิตใจของเราถ้าเราโอ้ไม่เอาละฉันไม่ภาวนาละนี่แสดงว่าเราไม่ยอมรับความจริงว่ามีความเลวร้ายเกิดขึ้นในใจแสดงว่าเราไม่สมัครที่จะเรียนรู้ต่อก็กลายเป็นผู้หลงผู้มัวเมาต่อไปพระเจ้าให้เราเรียนท่านบอกว่า มีสิ่งที่ต้องศึกษาคือท่านเป็นผูดเป็นภาษาบริวัติที่เราแปลเป็นคําไทยๆแล้วก็คือไตรศึกขาเนี่ยศึกขาแนะปลว่าเรียนรู้ข้อศึกษา3มอย่างเรียนรู้ทํำยังไงที่เราจะไม่ไปละเมิดคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาในเรื่องเรื่องศีลเรียนรู้ว่าจิตมันทําจิตมันมีอะไรบ้างในใจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีกิเลสเกิดขึ้นยังไงก็รู้ทันอย่างเงี้นะเรียกว่าศึกษาเรื่องจิตศึกษาได้แล้วเนี่ย ทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นคนศึกษาเรื่องจิตดีเนี่ยผลของมันคือได้สมาธิได้ง่ายเวลาครูบาอาจารย์หรือพระเวลาท่านสอนตรายสิกขาจึงจะมีคำอีกคำหนึ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาคือเอาเอาผลมาพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา ศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาผลกับการศึกษาเรื่องศีลได้ศีลผลศึกษาเรื่องจิตได้สมาธิผลศึกษาเรื่องปัญญาได้ปัญญาได้ความรู้ตัดความโง่ลงไปโง่น้อยลงนี่นะจากจากที่คุยกับยมตรงนี้เมื่อกี้นี้แล้วโยมก็อยากให้คนอื่นได้ยินด้วย รับขอบคุณท่านใจไม้เจ้าค่ะที่ไม่ต่างสิทธิ